223. ้ม22ผู้กำรรจัดเหตุแห่งวิปลาดได้รสอร่อยก็สิ้นตัวตนเวทนาในเวทนามันมีอาการที่สามารถอ่านรู้จากนามกายของเราเพราะนามรูปภาวะที่ถูกรู้นั้นเป็นนามธรรมในตัวเราประชุมกันพร้อมเป็นปัจจัยพร้อมธรรมมะสอง เมื่อเกิดผัสสะเรามีสัมผัสผัสสะอยู่หลัดหลัดนี่แหละอายตนะจึงมีเป็นปัจจัยต่อไปแล้วจึงจะเกิดเวทนาเป็นอิทับปจิยตาแล้วจึงจะมีตัณหาเป็นปัจจัยต่อไปอีกซึ่งเราก็พิจารณาเวทนาอย่างเจาะเข้าไปในเวทนาจนกระทั่งเห็นปัจจิ กุศลกิจในกิจที่เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเห็นสาราคะสะโทสะสะโมหะเราก็กาจัดตัวตนอัตตาของเหตุไปตามลำดับจนผ่านมรรคผล สังคิตจิตวิตกิตจิตมหากคตกจิตสะอุตรจิตแล้วก็เพียรนอาเสวนาภาวนาพระหุรีกรรมังปฏิบัติรักษาผลอนุรักษณาประทานกลาทั่งเป็นที่สุดสมาหิตจิตและวิมุตจิตจึงจะชื่อว่าอนุตรจิตสมบูรณ์ตามเจโตปริยญาณ16พระายบิดกเล่ม9ข้อ163 เพราะอ่านจิตในจิตกระทั่งมียานอย่างรู้เจโตปริยญาณ16ตั้งแต่อกุศุลมูลตัวที่หนึ่งสองสได้สราคาสะสโทสะสะโมหะและปฏิบัติมีผลอัติจึงจะรู้อาการของผลไปตามลำดับ ที่ได้เป็นวิติกมะการก้าวล่วงจากการกาจัดกิเลสของเราไปตามอาการที่เห็นจริงในพลังงานจิตของตนแท้เมื่อปฏิบัติจนถึงขั้นกิเลสวีตะปราศจากไปแล้วก็เป็นอันจบภาวะวิติกมะกิเลสขั้นนี้ไปคือการก้าวล่วงกิเลสวีติกมะนานได้แล้ว ก็ก้กาวขึ้นสู่ภาวะไปจัดการกับปริยุทธ์ฐานกิเลสตัวต่อไปซึ่งปริยุทธ์ฐานนี้คือจิตที่เป็นผลขั้นหนึ่งได้สำเร็จด้วยความพยายามของผู้ปฏิบัติ จนสามารถก้าวล่วงหลุดพ้นกิเลสขั้นต้นมาได้โดยมีปัญญาของตอนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะจริงเริ่มตั้งแต่เป็นปัญญาของโสดาบันมาทีเดียวพระไตรปิฎกเล่ม12ข้อ5้3ถึงข้อ549